ที่เข้าคอร์สยังอยู่กันไหมเป็นไงบ้างรุ่นนี้โอ้ไม่ค่อยกล้าพูดเลยแล้วเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะแล้วต้องทำด้วยตัวเองชาวพุทธเราไม่มีของฟรีหรอกไม่มีทุกอย่างอยู่ในเรื่องของกฎของกรรมใครทำคนนั้นก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้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 พวกพระก็รีบมาส่งข่าวให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าพระเทวทัตกําลังเดินทางมาแล้วนะกำลัง <laughs> จะมาเฝ้าเพื่อว่าจะมาขอขมาพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็เลบอกมาไม่ถึงหรอกเทวทัตนี่มาไม่ถึงบาปมากมาไม่ถึงนะพวกพระก็คอยไปสืบนะว่าตอนนี้มาถึงประตูเมืองแล้วพระเจ้าข้ามาไม่ถึงหรอกนะ <laughs> ตอนนี้มาถึงประตูวัดแล้วพระเจ้าค้าไม่ถึงหรอกนะ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 ชอบไปแอบในตู้เสื้อผ้าหรือไปปีนหน้าต่างหนีอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขไหมไม่มีความสุขนะจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบจริงหรอกนะฟุ้งซ่านคนโกหกเขาก็ต้องจําเยอะใช่ไหมคนโกหกเนี่ยนะคิดอะไรไม่ค่อยเป็นล้วเพราะเอาเมมโมรี่นะไปใช้ในการจําข้อมูลเก่าๆที่ไปโกหกคนไวนะ้ใจก็ฟุ้งซ่านนะโกหกคนพูดเท็จไม่สงบ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 กุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตัวอย่างของกุศลที่ว่ามาก็คือฮิริอตตปะใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่เป็นส่วนของกุศลทั้งนั้นเลยจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาให้เรามีสติรักษาจิตไวนะ้นั้นนั่นแหละคือการทําความเพียรเคยอ่านหนังสือนะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียร น, นี่ท่านสอนถูกกับตําราเป๊ะเลยนะทั้งๆ ท, ที่ท่านภาวนาแต่ความจริงท่านอ่านอภิธรรมนะ หลวงปู่มันนี่ท่านอ่านอภิธรรมด้วยลองไปดูหนังสือที่ท่านอ่านมีอภิธรรมอยู่งั้นท่านสอนเนี่ยถูกทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติสอนเก่งงั้นเราจะมีสัมมาวายามาได้นะอาศัยมีสติรู้ทันจิตนแล้วอะไรคือสัมมาสติมีสติรู้ทันจิตเป็นสัมมาสติทั้งหมดไหมไม่ใช่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปฐานสี่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 การทําให้เกิดสติเนี่ยใช้การตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้สภาวธรรมใช้ตามรู้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นท่านถึงใช้คําว่ากายานุปัสนาปัฏนาคือการเห็นการรู้การเห็นจริงๆแปลว่าการเห็นอนุปัฏฐ์ตามตามเห็นเนืองๆซึ่งกายตามเห็นเนืองๆซึ่งเวทนาตามเห็นเนืองๆซึ่งจิตตามเห็นเนืองๆซึ่งธรรมนี่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าตามเห็นเนืองๆนะ แต่ตามเห็ุเนี่ยต้องตามด้วยใจที่ตั้งมั่นนะใจที่ตั้งมั่นไม่ใช่ใจที่ไหลไปใจที่ตั้งมั่นเนี่ยจะไปได้ตอนฝึกสัมาสมาธินะนิดให้มีสมาสตินะสัมาสติคอยมีสตินะเบื้องต้นมีสติตามรู้กายหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึกยืนเดินนั่งนอนคเูเหยียดเหลวซ้ายแลงขวาคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปเนี่ยไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เอง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 ไม่มีแม้ตอนนี้กำลังนั่งนี่มีเดินอยู่หนึ่งนะนั่งในกาลังนั่งมันมีอยู่แล้วนะเราก็แค่รู้เข้าไปเท่านั้นอันนี้อลไรเรียกว่าตามรู้นะ<ม>เวทนามันก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นก็แค่ตามรู้เข้าไปคือรู้มันขึ้นมานะกุศลอะกุศลในจิตมีอยู่ไหมขนาดนี้นะมีไหมความสงบความฟุ้งซ่านนะความดีใจความเสียใจนะความสุขความสุขความทุกข์ในส่วนเวทนานะ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 พราะเราใจไหลไปเรารู้ไหลเรารู้เนี่ยใจมัน對對จะมาอยู่กันเนื้อกับตัวพอใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมานะร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวใช้คําว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ ย, อยไม่ใช่ตัวเรานะดูกายเนี่ยจะดูลงปัจจุบันขณานะดูลงปัจจุบันขนาดนี้เลยเนี่ยนเนี่กำลังเคลื่อนอ ย, อยนะู่เนี่ยเรารู้ได้ไหมรู้ได้เพราะจิตมันเป็นคนไปรู้กายนะ